บริสุทธิ์ที่คุณอ่าอันที่สองปัญญาคุณอันที่สามมากรุณาที่คุณมีคําว่าเมตตาคุณไหมมีพระพุทธเจ้าวนี่มีเมตตาแต่ท่านมีกรุณาทึ่งสูงกว่าเมตตาเพราะเมตตาหมายว่า น, นึกสงสารเห็นใจแล้วก็อให้กําลังใจแค่นั้นแต่กรุณานี่ลงไปเลยลงไปช่วยเลย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 เท่ากับพรุ่งนี้ไม่ได้ไปเที่ยวหลวงพ่อแออกลับพันลื่นนี้ได้ไปเที่ยวแน่ก็อาปฏิบัติกันอีกเก็บทั้งวันคุณเฉพาะคนที่กกรุงเทพก็มีคุณจัญยากับใครเอาแล้วศึกษาย์สจะจะเลื่อนวีซ่าใช่ไหมเลื่อนวีซ่าจะทิ้งตัวเลยเอใช่กําลังจะไปต่อที่แฝงแสงเทียน